มาพยศเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรีอบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใ จ, จเจริญสมาธิภาวนากันนะคราวนี้เราเข้ามาทบทวนหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้อบรมสั่งสอนมาซึ่งสรุปได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆ เรานำกลับมาหยุดนิ่งๆในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจะเห็นได้ชัดต่อเมื่อใจหยุดได้สนิทท่านให้เอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ตรงนี้จะนึกเป็นภาพหรือจะไม่นึกก็ไม่เป็นไรภาพที่นึกเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราจะเป็นดวงแก้วองค์พระใสๆหรือเป็นที่สิ่งที่เราคุ้นเคย จะเป็นเพชรนินจินดาผลหมากรากไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคุ้นเคยจะต้องเป็นวัตถุที่นำมาซึ่งความรื่สุดของกายวาจาใจทำให้ใจเราสูงส่งไม่กำหนัดยินดีในกาลในความพิจาบาทหรือความคิดเปลียบเบียนเป็นต้นนึกอย่างสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพร้อมกับประคองใจของเราด้วยบริกรรมภานาสัมมาอารหังเรื่อยไปเลย คือให้ทีวิษนี้เป็นเหมือนกับหลักของใจซึ่งที่ปลกใจซึ่งสั่สายไปในเรื่องราวต่างๆให้มันหยุดนิ่งๆถ้าเราไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองใจก็จะหยุดนิ่งได้ใจเราเหมือนม้าพยศม้าพยศไม่ค่อยจะอยู่ในอำนาจของเรามันก็จะแทกๆไถๆ ไ, ไปตามอารมณ์ของมันใจก็เหมือนกันเราอยากจะให้นิ่งๆ แต่มันก็จะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องของคนบ้างสัตว์บ้างสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตบ้างสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตบ้างเหมือนม้าพยศเพราะฉะนั้นเราต้องจับมาผูกเอาไว้กับหลักเหมือนเราเอาเชือกคล้ อ, คองคอม้าแล้วผูกเอาไว้กับหลักใหม่ๆ ม, มันก็จะดิ้นรนอยากจะหลุดจากหลัก วิ่งไปทางเหนือบ้างใต้บ้างตะวันออกตะวันตกวิ่งไปจนสุดสายเชือกแต่มันก็ไม่หลุดจากหลักวิ่งไปวิ่งมาในที่สุดมันก็หมดแรงหมดพยศก็จะหมอบอยู่กับที่ไม่ไปไหนการนึกถึงนิมิต ด, ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆหรือวัสดุอะไรที่เราคุ้นเคยก็ตามนั่นก็คือหลักของใจคำวาวนาเหมือนเชือกที่จะประคองใจเอาไว้ ให้มาอยู่กับหลักใหม่ๆมันก็แวบไปคิดเรื่องโ น, โน้นเรื่องนี้เราก็นึกถึงดวงใสๆองค์พระใสๆหรืออะไรก็ได้ที่ใสๆแล้วก็พวนาสัมมาอราหังเรื่อยไป้ากี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้มันก็จะมีสักครั้งหนึ่งที่ใจมันหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งมันจะทิ้งคําวนาไปเองมีอาการคล้ายๆกับ ว่าเราลืมคํภาวนาแต่ใจไม่ฟุง้งหรือเกิดความรู้สึกว่าอยากอยู่เฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอารหังต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าใจหยุดแล้วเราก็ต้องไม่ย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอารหังใหม่ตอนนี้ใจมันยอมแล้วมันหยุดแล้วหมดพยศแล้วก็จะติดอยู่กับดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆหรือถ้าเรานึกถึงเพชรนินจินดา ภาเพศนิจจินดาก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือหยุดดิ่งเฉยอย่างนั้นมีสติกับสบายและสม่าเสมอไม่ช้ามันก็จะถูกส่วนไปเองการถูกส่วนเราจะไปบังคับให้ถูกส่วนไม่ได้มันจะเป็นของมันเองเมื่อเรามีสติมีความสบายแล้วก็สม่าเสมอพอถูกส่วนมันก็จะหล่นบูบไปเลย เหมือนตกจากที่สูงผู้ไปฐานที่หกและจะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใหญ่ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ขึ้นมาเองทั้งจากนี้ก็ง่ายแล้วไม่ยากแล้วมันมยกากตรงจุดแรกที่ใจยังพยศอยู่หรือเราจะไม่นึกถึงภาพลิมิตแต่จะวางใจให้หยุดนิ่งเฉยๆก็ได้จะภาวนาสาัมมาอารหังด้วยก็ได้ ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแล้วก็วางใจนิ่งๆให้มีสติสบายสม่าเสมอเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆโล่งค่อยๆว่างไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันจะนิ่งไปเองพอนิ่งแล้วมันก็จะค่อยๆใสขึ้นความใสในกลางความมืดเหมือนดาวประกายคลึกที่เจิดจ้านในคืนเดือนมืดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะละเอียดลุ่มลึกลงไปเรื่อยๆ ต้องอาศัยการฝึกฝนค่อยๆสังสมบ่อยๆเราจะใจร้อนใจเร็วทำแบบทางโลกไม่ได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสะสมความละเอียดไปเรื่อยๆแล้วก็หมั่นสังเกตว่าวันนี้เราทำได้ดีเพราะอะไรค่อยๆนึกทบทวนว่าเออเราค่อยๆวางใจเบาๆอย่างนี้นิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่างนี้ ถ้าจำได้แล้วต่อไปเราก็ทำแบบนั้นอีกเดี๋ยวมันก็จะละเอียดลงไปสมมติว่าวันนี้เราได้แค่หนึ่งนาทีก็ให้ดีใจไว้เถอะเออเราสมหวังแล้วหยุดนิ่งได้แล้วหนึ่งนาทีหรือหยุดนิ่งยังไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรแค่รู้สึกตัวโลง่โลงๆว่างๆโปร่งเบาสบายก็ถือว่าเราสมหวังแล้วบางคนเกิดมาในโลกนี้อายุตั้งร้อยปี ยังไม่รู้จักเลยว่าโล่งใจโปร่งใจเป็นอย่างไรใจใสใสใจหยุดใจนิ่งเป็นอย่างไรยังไม่เคยรู้จักเลยเพราะฉะนั้นเราได้แค่หนึ่งหรือสองนาทีก็ดีใจเถอะแล้วต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำวิธีการที่จะไปถึงนจุดตรงนี้ให้ได้แล้วก็มันไปถึงตรงนี้บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเราจะตอกตะปูที่ยำๆเดี๋ยวมันก็จะมิดจนได้ ใจก็เช่นเดียวกันมันปรึกมันหยุดมันนิ่งค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวจากฟุ้งมากก็จะฟุงฟ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ฟุง้งจากไม่ฟุ้งก็จะโลง่ลงๆโปร่งเบาสบายใจเบิกบานเดี๋ยวแสงสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นแสงแก้วที่เนียนตาละมุนใจแล้วมันก็จะละเอียดลงไปจนกระทั่งค่อยๆเจิดจ้าขึ้นนานขึ้น มีความสุขไปทุกขั้นตอนเลยเดี๋ยวดวงใสๆก็จะปรากฏขึ้นเองเพราะดวงธรรมมีอยู่แล้วเพราะถูกส่วนก็หมายเองใหม่ๆดวงใสก็ยังไม่ค่อยชัดเราก็มันฝึกฝนไปฝึกทํากันไปทั้งวันพวกคู่กับการทํามาหากินหรือภารกิจที่เรามีอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วก็พยายามตรวจสอบให้กายวาจาใจเราสะอาดไปสุทธิ์เท่าที่เราจะทําได้ ดวงธรรมเขาจะค่อยๆชัดขึ้นกระทั่งสุขใสสว่างพรรเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำบอกว่าใจหยุดประเดี๋ยวเดียวได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์วิหารสาลากา ร, ปรเปรียญสร้างวัดวาอารามเสียอีกเพราะฉะนั้นอย่าเป็นยังเป็นแค่กรรมวจรทำแล้วบางทียังไม่มีความปลื้มยังไม่มีความสุขเท่ากับใจที่หยุดนิ่งเลย แต่ใจหยุดเพียงเดียวเดียวเรามีความร่วมปิติมีความสุขแผ่ซ่านไปทุกอนูเนื้อขุมทุกขุมขนเลยมีความเบิกบานแช่มชื่นใจใสความลึกสุทธิ์ของใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้าอานิสงส์มากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้ไปเกิดในพวภูนที่ประณีตกว่าละเอียดกว่าสิ่งเหล่านี้ลูกทุกคนทําได้บารามีก็มีมากพอหรืออย่างเดียวคือ ความเพียรกับความ ก, กับทําให้ถูกหลักวิชาเท่านั้นเดี๋ยวก็สมหวังส่วนใครที่ทําได้แล้วเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระก็แตกใจเบาๆแต่ไปเรื่อยๆใช้ระบบสัมผัสแต่ดวงใสๆแต่กายภายในใสๆแต่และองค์พระใสๆเดี๋ยวท่านก็จะดูดพุกเข้าไปข้างในองค์พระในองค์พระก็จะผุดผ่านขึ้นมามากมายก่ายกองทีเดียว ความสุขสดชื่นเดิอดปานก็ยิ่งเพิ่มผูนขึ้นจากองค์หนึ่งไปสู่อีกองค์หนึ่งก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเลยทําให้ได้นะใครเหนื่อยใครเพียใครง่วงใครตึงใครเครียดปล่อยให้มันหลับไปเลยในกลางกายใครเมื่อยก็ขยับเบาๆใครฟุ้งถ้าฟุ้งหยาบคือฟุ้งที่ควบคุมไม่ได้ก็เลืมตาแต่ถ้าฟุ้งละเอียดที่ควบคุมได้เราก็ทําเฉยๆ ไม่ต้องลืมตาทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้เหมือนแขกมาเยือนบ้านเราไม่ต้อนรับเดี๋ยวเขาก็เก้อเขินกลับไปเองความฟุ้งที่รู้ตัวแล้วคุมได้ไม่ต้องลืมตาทำหยุดทำนิ่งเฉยๆเดี๋ยวฟุ้งนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าฟุ้งอยากควบคุมไม่ได้สู้ไม่ไหวให้ลืมตามาดูดวงแก้วดูองค์พระเป็นต้นให้ใจใสๆพอใจสบายดีแล้ว เราก็ค่อยๆหลับตาเบาๆต้องฝึกซ้อมกันอย่างนี้นะต่างคนต่างทำเงียบๆกันไปนะคะ